ขณะเดียวกันพระเจ้าจักรพรรดิก็จะถามปฏิสันถานกับกษัตริย์เหล่านั้นว่าพ่อเอ้ยอย่างไรเรียกว่าบัมเพญราชธรรมอย่างไรเรียกว่ารักษาประเพณีกษัตริย์ไอคําว่าอย่างไรชื่อว่าบัมเพนราชธรรมก็คือว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติในราชธรรมคือสังฆะวัตถุอยู่หรือท่านยังให้ทานยัง ป, ปิยวาจาอัตเจริยา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 ท่านอาจารย์เป็นอย่างไรชื่อว่าสอนมนเหล่าศิษย์ก็เรียนมนท่านจงทำทักษิณาผ้าหรือโคเร้งน่ยนะหรือแม้กระทั่งพระเจ้าจากักรพรรดิปฏิสันถางกับพวกเครืหาบดีเศรษฐีทั้งหลายว่าพ่อเอ้ยพวกท่านไม่ถูกเบียดเบียน ด, ด้วยราชอาทยาบ้างหรือพวกผ้าษีอากรจากพระราชาบ้างหรือท่านถูกเบียดเบียนเรื่องภาษีอากรนไหมมีกฎหมายอะไรที่ไปกดขี่ข่มเหงให้พวกท่านอยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบากไหม เป็นไงฝนตกต้องตามฤดูกาลไหมข้าวเปลาเ่าข้าข้าวกล้าธัญญาหารสมบูรณ์อยู่ไหมก็มีการสอบถามกับพวกคริขหาบดีผู้ที่ประกอบสัมม า, าชีพเลี้ยงชีพอยู่หรือสอบถามปฏิสันฐานกับสมณพราหมณ์ท่านเจ้าค่าบริขารปัจจัยสี่สำหรับบรประชิตหาได้ไหมขอพวกท่านอย่าได้ประมาทในการบำเพ็ญสมณธรรมในการเจริญศีกานะคือพระเจ้าจากักรพรรดินี่เป็นผู้ที่เก่ง ต้อนรับปฏิสัมพานได้แม้กระทั่งในกลุ่มกษัตริย์กลุ่มพราหมณ์กลุ่มใครอีกเครือขาบดีตลอดจนถึงสมณะพราหมณ์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความสามารถของพระอ น, นุนั้นเยี่ยงกับพระเจ้าจากกักรพรรดิการยกย่องพระอนนันนี้ถือว่าแปลว่าในเวลาสมัยเวลาสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่นชมยกย่องพระอน น, นันก็แสดงว่าพระอ น, นุนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมาก ในหน้าสามร้อยสิบสี่ข้อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนนก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าอยาเสด็จปรินิพานในเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองนี้เลยเนี่ยนะแม้ถือว่าเมืองเล็กมากในสมัยนั้นนะนะสมัยพุทธกาลในกุสินาราถือว่าเมืองเล็กมากเมืองใหญ่เหล่าอื่นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองจำปาราจครืสศาวธีสาเกตโกสัมพีหรือเมืองพารณสี ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปริในพานในเมืองเหล่านี้เถิดพวกกษัตริย์มหาสารบ ร, รมมหาสาลขึ้รบดีมหาสาลที่เลื่อมใสในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านี้ท่านเหล่านั้นจั ก, กระทําการสักการะบูชาสริระของพระตถาคตเนี่ยนะเกิพระองค์น่าจะไปปริใิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างั้นเน่ยเขาจะได้บูชาสักการะพระองค์ได้อย่าง ทั่ถึงได้อย่างเยอะมาปรินิพานในเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองเล็กเมืองโดนกิ่งเมืองอะนะก็เหมือนกับกิ่งอำเภอเนี่ยเป็นอำเภอเหมือนกับว่าเก่าแก่และแต่มันเล็กนิดเดียวอย่างไงพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนุนเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ ว, นว่าเมืองเล็กเมืองโดนกิ่งเมืองนี่เลยแต่ปางก่อนมีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะ พระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้ทรงท ร, รเป็นพระธรรมราชาเป็นพระราชาโดยทำรรเป็นใหญ่ในแผ่นดินพระองค์นั้นมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแลว้วมีพระราชอาณาจักรอันมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเมืองกุสินารานี้มีนามว่ากุสาวดนนีเมืองกุสาวดีนี้เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศนะ เมืองกุสาวดีนั้นโดยยาวด้านทิศ ต, ตะวันออกและทิศตะจินเนี่ยนะกำแพงเมืองเนี่ยข้างในเมืองเนี่ยยาวสิบสองโยธถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากยาวสิบสองโยธสิบสองโยธก็เป็นร้อยกิโลแหละโดยกว้างด้านทิศอุดรและทิศทักษิณเนี่ยายาวไปเหนือไปใต้อีกเจ็ดโยธก็แปลว่ายาวสิบสองโยธกว้างเจ็ดโยธ กุสาวดีเป็นราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมากมีชนเป็นอันมากมีมนุษย์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายดูก่อนอนอนลอาลมะกะมนทาเอออัลมะกะมันทาราชธานีแห่งเทพพรเจ้าทั้งหลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากยักษ์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายแม้ฉันใดกุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 จำนวนมากเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้าพวกท่านเหล่านั้นจักทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้านี่ต์เธอเหมือนกนอานนท์เธอจะได้กล่าวอย่างนี้ว่ากุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองดดนเป็นกิ่งนครเลยอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระราชาพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นกรรษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษมีอาณาเขตปกครองจด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 กสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีคนมากเกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนและอาหารก็หาได้ง่ายอานอนท์ราชธานีชื่อว่าอลมกะมันทาของพวกเทวดาเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีชนมากเกลื่อนกล่นไปด้วยหมูยักษ์ และหาอาหารได้ง่ายฉันใดอานุนกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีคนมากมีคนพลุกพล่านอาหารก็หาได้ง่ายฉันนั้นแลอานนกุสาวดีราชธานี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 อีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยแก้วทับทิมอีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยบุตรศร akah อีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยแก้วทุกอย่างรวมกันโอ้โหเรียกว่าเป็นเมืองแก้ ว, วเรามืองยิ่งใหญ่มากเลยนะร่ำรวยมากเลยอานอนทกูสาวดีราชธานีมีประตูอยู่สี่ชนิดคือประตูทองคําประตูเงินประตูแก้วไผทูลและประตูแก้วผลึกในแต่ละประตูเนี่ยปักเสาระเนียรไว้เจ็ต้นแต่ละต้นปักลึกสามชั่วคน เหนือพื้นดินขึ้นมาก็สูงสิบสองชั่วคนโอ้โหสิบสองชั่วคนนี่ก็สามสี่สิเมตรนั่นแหละลึกลงไปในดินอีกก็ตั้งสามชั่วคนก็อย่างน้อยก็12บเมตรเนี่ยนะปักลึกมากเสาทองต้นหนึ่งเสาเงินต้นหนึ่งเสาแก้วไผยทูนต้นหนึ่งเสาแก้วผลึกต้นหนึ่งเสาแก้วทับทิม ต้นหนึ่งเสาบุตรศร a k a เป็นต้นหนึ่งและก็เสาที่เอาแก้วทุกอย่างมารวมกันอีกหนึ่งต้นอาโอน์กูสาวดีราชธานีมีแถวตาลล้อมเจ็ดแถวแถวตาลทองตาลเงินตาลไพฑูรตานแก้วเปลือกแก้วทับทิมบุตรศร a k และก็แก้วรวมเหมือนกันแถวตาลทองลำต้นมีต้นเนี่ยไปด้วยทองผลและใบนี่มีผลมีใบเป็นเงินส่วนต้นตาลที่มีลำต้นเป็นเงินเนี่ยนะใบและผลออกมาเป็นทอง ส่วนแก้วไพลทูลลำต้นเป็นแก้วไพลทูลมีใบและผลเป็นแก้วผลึกตาหแก้วเผลึกมีต้นเป็นแก้วเผลึกมีใบและผลเป็นแก้วไพลทูลเนี่ยนะโอ้เป็นเมืองที่ประดับประดาแต่ตกแต่งจริงๆเป็นเมืองที่ร่ํารวยแล้วก็มั่งคั่งเป็นเหมืองของมหาเศรษฐีจริงจอ่ะนะพระราชาสมแล้วกับเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเหมือนนอํารวยมากอ่ะนะ มันแต่ละอย่างเนี่ยอนนนตานเหล่านั้นเนี่ยถูกลมพัดก็มีเสียงไพเราะยวนใจชวนให้ฟังน่าเคลิบเคลิ้มอ่ะนะเสียงดังเพาะมากอนนนเสียงแห่งดนตรีที่ประกอบด้วยองค์ห้า ที่นักดนตรีผู้ฉลาดปรับดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงดีแล้วย่อมเป็นเสียงที่ไพเราะยยนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม้มแม้ฉันใดอ น, อนุนเสียงแถวตาลเหล่านั้นที่ถูกลมพัดก็เป็นเสียงเพราะโยนใจชวนให้ฟังและให้เคลิบเคลิม้มฉันนั้นนั่นแหลอ น, อนุน โดยสมัยนั้นพวกนักเลงพวกนักเล่นพวกนักดื่มแห่งกุสาวแห่งกรุงกุสาวดีก็คลอเสียงประสานกับเสียงแถวตามที่ถูกลมพัดเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปจ้างนักดนตรีที่ไหนนั่งคลอเสียงเพลงพร่ำอยู่ตรงนั้นแหละสบายใจมากอานน์พระเจ้ามหาสุทัศน์มีแก้วเจ็ดอย่างแล้วก็สําเร็จด้วยฤทธิ์สี่อย่างแก้วเจ็ดอย่างก็คือมีจักแก้วอันเป็นทิพย์เนี่ยนะมีจักแก้วอันเป็นทิพย์แล้วก็ยังมีช้างแก้วอันเป็ ช้างแก้วมีม้าแก้วมีแก้วมณีที่เป็นแก้วไผ่ทูนมีนางแก้วเนี่ยนะมีนางแก้วมีเครหบดีแก้วมีปรินายกแก้วนะเรียกว่าแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าสุทัศนะผู้เป็นจักรพรรดิและพระองค์มีฤทธิ์อีกสี่ประการฤทธิพิเศษก็คือพระองค์มีรูปงามสองพระองค์มีพระชนมายุยืนสามพระองค์มีพระโรคคาพาธน้อยสี่พระองค์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพรามณ์และ เครืาบาดีทั้งหลายเนี่ยนะพระเจ้าสุทัศนะนั้นก็คิดว่าจะสร้างสระโบกกรณีที่ห่างการชั่วระยะร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตานเสร็จแล้วก็สร้างสระโบกกรณีเนี่ยนะที่วิจิตรพิสดารมากครั้งหนึ่งพวกพรามค์คฤหาบาดีก็ขนทรัพย์มาถวายพระเจ้าสุทัศน์พระเจ้าสุทัศน์ก็ไม่รับเขาก็เลยช่วนกันกรสร้างพระราชวังถวายพระเจ้าสุทัศนะ เนะท้าวสักกะจอมเทพก็ดำเบรยว่าก็เรียกเทพวิษณุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าจงไปสร้างพระราชวังชื่อว่าปราสาทแด่ถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยนะก็มีการสร้างพระราชวังที่เรียกว่าเป็นวังที่ใหญ่มากวังใหญ่ขนาดไหนก็บอกว่ายาวหนึ่งโยศกว้างครึ่งโยศนะเมืองนี่ยาว16กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรเนี่ยปราสาทนะไม่ใช่เมือง สร้างเขาเรียกว่าวังวังหนึ่งเข า, าใหญ่กว่าเมืองอเขม่เยอะหนยนะใหญ่กว่นาคนครวัดนคนรธมเยอะเนี่ยนะวัสดุที่ก่อสร้างธรรมะปราสาทสูงเขาเรียกว่าใช้อิฐสี่ชนิดอิฐเงินอิฐทองแล้วก็อิฐแก้วไพลทูลอิฐแก้วพลึกมีเสาแปดหมื่นสี่พันต้ น, ะนะธรรมะปราสาทเนี่ยปู ด, ด้วยกระดานสี่กระดานกระดานทองกระดานเงินกระดานแก้วไพลทูลกระดานแก้วพลึกมี 24บันไดเนี่ยนะมีบันได24บันไดแบ่งเป็น4ชนิดบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพลทูลเนี่ยนะบันไดทองเป็นแม่ลูกก็สําเร็จด้วยทองเนี่ยนะทุกอย่างสําเร็จด้วยทองไปหมดส่วนลูกบันไดและพนักเนี่ยทำด้วยเงินก็รายละเอียดเยอะมากแล้วก็ในธรรมะปราสาสตร์มีเรือนยอดอยู่ 8400, มพัยอดนะแต่ละยอดก็เป็นยอดทองยอดเงินเป็นต้นเนี่ยนะ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 ทองคําขนาดนั้นมันจะตาพร่าขนาดไหนถ้ากลางวันเนี่ยนะนึกไม่ออกว่าอยู่ไงกันร้อนแย่ยเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันชั้นมันหนานะก็คงอยู่สบายแหละเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญเป็นปราสาทที่ทําให้ตาแล้วก็ที่สระโบกกรณีเรียกว่าธรรมมาโบกกรณีเนี่ยนะก็ที่อยู่ข้างหน้าธรรมมาปราสาตรองก็สร้างให้สร้างสระน้ําเป็นชั้นดี สร้างธรรมปร า, าสาทสร้างสะบกขรนีเสร็จแล้วพระเจ้าสุทัศนะก็ให้เลี้ยงดูพวกสมณพราหมณ์ที่รู้กันว่าเป็นสมณะหรือพวกพราหมณ์ที่ยอมรับกันว่าเป็นพราหมณ์กระว่าทําบุญเลี้ยงสมณพราหมณ์ให้อิ่มน้ำสําราญด้วยของที่น่าชอบใจทุกชนิดเสด็จขึ้นสู่ปร า, าสาทอย่างนี้ในหน้า487ข้อ179ที่บอกว่าอ น, น์ลําดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงดําริอย่างนี้ว่า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 ทีนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าเรือนยอดหลังใหญ่ประทับยืนที่ประตูเรือนรถยอดหลังใหญ่ก็เปล่งอุทานว่าหยุดกามวิตกหยุดพยาบาทวิตกหยุดวิหิงสาวิตกเท่านี้ก็พอแล้วล่ะอากุศลวิตกเท่านี้ก็พอแล้วกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกหลังจากนั้นพระเจ้าสุทัศนะก็เข้าฌานที่หนึ่งสองสามสีได้โดยลำดับพระเจ้าสุทัศนะอยู่ด้วยเมตตาจิตที่สองหรคตไปด้วยเมตตา นะรุณามูทิตาและอุเบกขาไปในทิศสี่ทิศคือพระเจ้าสุทัศนะได้กระสินด้วยพระเจ้าสุทัศนะได้พรหมวิหารสี่อย่างป ร, ประเสรด้วย